มีเด็กด้วยหลวงพ่อสอนเด็กไม่เป็นตอนเป็นโยมนะตั้งใจเลยจะไม่มีลูกพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องลืมไปแล้วว่าตอนเราเด็กๆ เ, นะเราคิดยังไงพูดยังไงสื่อกับเด็กไม่ค่อยได้พ่อแม่มาด้วยใช่มมีมีผู้ปกครองด้วยใช่ไหม หน้าตาเรียนไม่ยากหรอกนะแต่คนคือผู้ใหญ่อ่ะต้องเรียนธรรมะไว้เด่นเอามาปฏิบัติให้เด็กเขาเห็นนะเขาก็ค่อยสนใจสมัยหลวงพ่อเด็กๆ เ, เรียนธรรมะนี่ไม่ได้เรียนแบบมาเข้าคอร์สอะไรผู้ใหญ่เขาพาไปวัด เขาก็ไม่บังคับนะพาไปวัดให้เราไปวิ่งเล่นพวกเด็กๆผู้ใหญ่ก็ฟังเทศตอนไหนมีนิทานเราก็รีบมาฟังคอยเงี่ยวหูไว้แต่ตอนไหนไม่สนุกก็ไปเล่นต่อเขาก็ไม่ว่าอะไรวันไหนไม่ได้ไปวัด หรือมันไปวัดก็เหมือนกันเช้าๆทุกวันนะผู้ใหญ่ในบ้านพาใส่บาตรเรามีหน้าที่ไปดูต้นทางว่าพระมาหรือยังถ้าตอนเล็กๆถ้าโตขึ้นมาหน่อยนะก็ช่วยใส่ใส่ขนมใส่อะไรใส่เป็นใบตองนะขนมไม่มีถุงพัตติก็โตขึ้นมาหน่อยก็มีหน้าที่ไปยกโต๊ะไปตั้งหน้าบ้าน ผู้ใหญ่เขขันไว้ตั้งใส่บาทได้เรียนธรรมะนะค่อยๆเรียนค่อยๆ ค, ค, ค, คุ้นเคยกับพระกับวัดใจมันสนใจผู้ใหญ่เขาทาตัวให้เราดูผู้ใหญ่ที่บ้านของพ่อดีทนำะไม่ขี้เล่าเมายาอะไรเงี้การพนันไม่มีเราเห็นตัวอย่างในบ้านไม่ทะเลาะกันไม่เห็นใครทะเลาะ ก, กัน เห็นตัวอย่าง่งนั้นถึงเวลาเทศกาลต่างๆนะหรือไม่เทศกาลก็าตามอะแต่ละบ้านทาแกงทำอะไรนะเราเป็นเด็กมีหน้าที่วิ่งเอาไปแจกบ้านนี้ไปแจกบ้านนี้บ้านโน้นเขาก็ามาแจกบ้านนี้เราเรียนรู้ธรรมะเรียนเรื่องการทำทานการถือศีลการฟังธรรม เรียนระเบียบวิธีปฏิบัติต่อพระต่อวัดต่อพระพุทธรูปอนะไรน่นเรียนด้วยการเห็นเอาไม่มีใครมานั่งสอนใน้องใจก็เลยคุ้นเคยกับพระกับวัดพออายุเจ็ดขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปเรียนกรรมาฐานเรียนอนาปานสติให้ใจ เข้าพุธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุธออกโทนับสองอย่างท่านพาลายท่านให้นับถึงสิบแล้วลงมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าเราเด็กๆเรานับถอยหลังไม่เป็นนับแล้วคิดมากเหนื่อยก็เลยนับหายใจเข้าพุธออกโทนับหนึ่งสองสามไปถึงร้อยเลยแล้วเริ่มหนึ่งใหม่ไม่ถอยหลังเวลาวันเกิดปีใหม่อะไรนะี่ผู้ใหญ่ให้ของขวัญนนะ ได้ผ้าเช็ดตัวต้องเอาสีเหลืองนะเอาสีเหลืองไ้ก่อนเอามาห่มแล้วสวดมนตนะ์ตอนเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาไปซื้อผ้าจีวรจะไปให้เนนเห็นแล้วชอบชอบนะอยากได้ขอเอาไว้เล่นสักคืนหนึ่งก่อนพรุ่งนี้เขาถึงจะไปให้เอามาไว้ด้วยนะอยากใส่ ใส่ไม่เป็นหรอใส่ก็หลุดหมดนะกลางคืนนอนไปหนูมันมากัดขาผู้ใหญ่เลยบอกเนี่ยบาปเอาชุดเนนไปเล่น <c oughs> หนูอะไรมากัดขาค่อยๆเรียนเรียนแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆตอนเข้ามาหาวิทยาลัยตอนนั้นะติ วัตถุนิยมรุนแรงมากคอมมินิเผยแพร่เข้ามาเต็มไปหมดหลวงพ่อก็เรียนเหมือนกันเรียนจากไม่กระจอกนะระดับกรมการเมือง mm hmm. โพลิสบิวโลของพรรคเรียนเราก็เคลิ้มเหมือนกันอ้อะไรๆก็เป็นวัตถุขนาดภาวนามาแต่เด็กนะ ตอนโตขึ้นมาเนี่ยก็ยังเคลิมไปกับลัทธิที่ปฏิเสธจิตวิญญาณแต่ใจลึกๆไม่ปฏิเสธหรอกก็เริ่มเห็นพวกพวกวัตถุนิยมวัตถุนิยมนะบางทีก็ออกไปตะเวนเผยแพร่ประชาธิปไตยเผยแพร่ น, น้นนี้กลางคืนมันเที่ยวซ่อง มันเรียกร้องสิทธิสตรียังไงข้งมันว่าเราไม่แปลไหนนะเราเห็นซึ่งมันหลอกกันเนี่ยในใจลึกๆมันก็รู้สึกว่าถ้าใจเนี่ยนะมันไม่มีคุณธรรมสัอย่างเดียวนะรัตที่อะไรนะมันก็ตกเป็นเครื่องมือขอให้คนที่ได้โอกาสเหมือนๆกันแ่ะแต่หลังเห็นมากๆเข้านะชาก็กลับมันเคยมาแต่เด็กแล้ว กลับเข้ามาหาธรรมะใหม่ยิ่งตอนรัฐทีนี unya, ้มีปัญหามากเกิดวิกฤติศรัทธาคนชวนเข้าป่าก็ไม่เข้าไม่นับถือไม่นับถือเห็นก็มีกิเลสแย่ๆเลยเห็นแก็ตัวแต่ว่าพูดเก่งหลายคนไปเป็นนักการเมืองประสบความสำเร็จ ดูแล้วถ้าไม่มีศีลมีธรรมสะอย่างเดียวนะตัวเองยังปกครองไม่ได้ปกครองใครได้ใจ ม, มันไม่ได้ไม่เอาให้เข้าป่าไปก็ไม่ไปถหันมาสนใจใหม่อันนี้ศึกษาใหม่ก็ท้อใจเหมือนกันนะว่าจะไปเรียนที่ไหนเน้ะครูบาอาจารย์ที่รู้จักคือท่านพ่อรีนะท่านตายตั้งแต่ปีศูนย์นะ เราเพิ่งสิบเอ็ดขวบเองหาครูบาอาจารย์ไม่ได้มีแต่ครูบาอาจารย์อยู่อีกไกลๆไม่รู้จะไปยังไงอ่านหนังสือมาอ่านก็งั้นๆอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าจะปฏิบัติยังไงก็ทําแต่สมาธิอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งไปอ่านหนังสือเป็นหนังสือพระเครื่องนะหลวงปูแ่แหวน เขามีพื้นที่เหลือเขาก็ลงธรรมะของหลงพูดุลไว้จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจีมแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจีมแจ้งเป็นนิโรธธรรมชาติของจิตย่มส่งออกนอกเมื่อส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มวันไหวไม่มีสติก็เพิ่มหวันไหวเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกแล้วไม่มีสติสก็เพิ่มวันไหวไปตามมารมณ์เป็นทุกข์ ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่นะก็ mm hmm. เจริญปัญญาเจริญมรรคได้ผลก็เป็นนิโรธพระริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมวันไหวเนี่ยท่านสอนอย่างนี้อ่านแล้วถึงออกถึงใจเออไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นนะครูบาอาจารย์อื่นสอนแต่ให้ทําทานถือศีลนั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธพิจารณาร่างกายอะไรเนะี่ย ฟังแล้วมันไม่ถึงอกถึงใจฟังของหลวงุู่ดูลแล้วถึงใจเพราะว่าถ้าใจไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ mm. ความทุกข์มันออกมาจากใจนี่เองเขาสนใจว่าท่านเป็นใครนะเขาใส่ชื่อพระราตนากรวิสุทธ์ไหมตอนนั้นท่านก็ไม่ใช่พระรนาคกรวิสุทธ์แล้วเป็นพระราชอุทธาจารย์วัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปถามคนว่ารู้จักไหมองค์นี้เขาบอกเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่น ตอนที่เที่ยวหานะปีสองสี่หลวงปู่ฟั่นนะับรณภาพสองศูนตายไปแล้วขนาดหลวงปู่ฟันยังไม่อยู่เลยอาจารย์จะอยู่ได้ไงไม่คิดไม่มีทางคงจะสิ้นไปแล้วอยู่มาถึงต้นปีสองห้านะเพื่อนกันก็มาบอกว่านี่ท่านยังอยู่สุลินสองคนนะ้วพากันไปไปเรียนยกับท่าน ตั้งแต่ไปเจอท่านนะใจมันไม่เอาสมาธิชนิดสงบลนะใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะดูธาตุดูขันทำงานไปไทำปิดอยู่สามเดือนนะเห็นจิตมันทำงานอย่างโน้นอย่างนี้แต่ทั่งพอรู้ทันก็ปล่อยไปปล่อยไปเข้ามาอยู่กับตัวรู้รักษาตัวรู้ไว้รักษาจิตไว้ด้วย หลวงปู้บอกว่าผิดไปเป็นหลงอาการของจิตอาการของจิตมีหลายแบบอาการที่จิตปรุงแต่งไปก็เป็นอาการของจิตอาการที่เรารักษาจิตเอาไวน้นี่ก็เป็นสร้างอาการอันหนึ่งขึ้นมาสร้างอาการรู้ขึ้นมาก็ผิดอีกท่านให้ไปดูใหม่ดูอยู่สี่เดือนดูทูอยู่สีเดือนท่านใจมัก็เข้าใจขึ้นมาเป็นลําดับลาดับ หลวงปู่ก็บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วละ่ะท่านบอกถึงพระรัตนตรัยแล้วช่วยตัวเองได้ไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้ต่อไปนี้เราก็ไปนะเรื่องไรโง่โอกาสที่เจอครูบาอาจารย์มีไม่มากหรอกแต่พอหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้เนี่ยคราวนี้ออกไปดูที่อื่นแล้วจะต่างกับพวกเรานะ ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ร่อนเร่ไปเรืเ่อยๆเลยช่วยไม่ได้ตลอดการหลงโน่นหลงนี่ผิดปิ ด, ดถูกๆไปเรื่อยจับหลักไม่ได้ทีหลวงพ่อหลักแม่นแล้วนะถึงออกไปดูสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆไปดูว่าเขาภาวนางไงบางองค์บางท่านเห็นนะโอ้ดีจังเลยไม่ใช่สายหลวงปู่ดุลด้วยไม่ใช่สายวัดป่า ครูบาพรหมจักร์นี่เห็นนะโอ้ท่านดีจริงเจียยหลวงพ่อเกษมเขี ม, มาโก้ก็ดีจริงเที่ยวตะเวนไปไปเห็นหลวงพ่อเทียนก็ดีเหมือนกันพ่อเทียนขยับแล้วจิตตื่นไม่ได้ไปเพ่งไว้ในมือรู้สึกหลังๆไนะั้ไปเพ่งอยู่ในมือเพ่งมือก็เป็นสมถะไม่ขึ้นไม่ปัสสนาหรอกเจริหลวงพ่อคาเขียน หลวงพ่อคำเขียนก็ดีอีกและเจอพระดีก็หลายองค์นะหลวงพ่อเที่ยวตะเวนช่วงเนี้ยได้เจอครูบาอาจารย์สามสิบสี่สิบองค์เจอที่ดีๆนะที่ไม่ดีเนี่ยใจมันไม่เอาเลยไม่เข้าใกล้เลยมีบุญนะไม่เจอพวกเหลวไหลพวกเหลวไหลได้ยินชื่อก็ไม่เอาละ ในวิธีเรียนธรรมะของหลวงพ่อนะไม่ได้ไปเข้าคอร์สที่ไหนเลยไม่ได้ไปอบรมกรรมฐานเต่ออะไรนะทุกวันนี้สอนกรรมฐานอยู่นะแต่ถ้าไปขึ้นทะเบียนัหมเขามีนะเป็นวิปัสนาจารย์วัดไหนมีวิปัสนาจารย์ที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเขามีคะแนนให้ด้วยประเมินผลวัด เราก็นึกนะั่นเราสอนวิปัสนาสอนกรรมฐานเนี่ยจะทั่วโลกเหมือนกันไม่ได้ตําแหน่งกับเขาเราวิปัสนาจารย์เพราะว่าไม่ได้ไปอุปหลม <c oughs> นี่เรียนมาแบบเป็นธรรมชาติมากเลยเรียนมาอย่างธรรมชาติธรรมดาจับหลักได้จับหลักให้แม่นแล้วการปฏิบัติมันไม่ยากอะไรหรอก หลวงปู่บอกให้ดูจิตจะเดิมทําจากความสงบเียกับท่านพอลีนะไม่ใช่ท่านพอลีไม่เก่งนะท่านเก่งแต่ท่านตายเร็วท่านมรณภาพไปทั้งแต่หลวงพ่ออย่างเด็กยังไม่ได้เรียนวิปัสสนาท่านสิ้นไปก่อนไม่มีครูบาอาจารย์มาเจอหลวงปูดุลนะสอนให้ดูจิตตัวเองหลักที่หลวงปูดุลสอนนะไม่ยากอะไรสั้นๆแต่ลึกซึ้งข้อแรกเลย <S <S 1> <S 1> ที่ <S <S ท่านสอน คน ท, ทั่วไปเลยนะอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนั่นบอกงี้ส่งไปทางไหนส่งไปทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจธรรมชาตินะจิตมันออกไปตลอดถ้าว่าอย่าออกนอกนะั่นไม่ใช่ว่าห้ามออกแต่ออกแล้วให้รู้ทันนะ ถ้าท่านบอกอีกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกหมายถึงว่าถ้ามันออกนอกยังไงมันก็ออกเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวมันวิ่งไปคิดถา้าเรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันจิตเธอตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยที่ท่านเรียกว่าจิตไม่ออกนอกโดยไม่ได้รักษาไว้มันไม่ออกเอง พอจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านก็สอนให้เดินปัญญาประโยคเดียวเท่านั้นเองจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปทำอะไรทำยานยานคืออะไรยางคือปัญญาปัญญาเห็นอะไรปัญญาไปทำอะไรปัญญาไปเห็นคำว่าเห็นนี่แหละคือคำว่าวิปัสนาปัสนาว่าการเห็นจงทำยานมีปัญญาปัญญาไปทำอะไรไปเห็น เห็นอะไรเห็น <Eyes> จิตเห็นว <chter> ่ายังไงเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงเป็น well ท <grade> <road> ุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแหละถึงเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาถ้าเราบัทางเห็นจิตเฉยๆนะเนี่วเห็นด้วยสติถ้าเห็นด้วยปัญญาก็คือเข้าใจความเป็นจริงของจิตนิ้มประโยคของท่านนิดเดียวนะจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคือเราต้องเห็น ไม่ใช่ไปคิดเอาไม่ใช่ไปบังคับเอาไม่ใช่ไปแต่งเอาแต่เราเห็นจิตมันทำงานไปมันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแบบไรเห็นแบบเดียวกับที่ตามองเห็นรูปเวลาตาเราเห็นรูปเราจงใจเห็นไหมต้องหลับตาซิหลับตาแล้วหันหน้าไปทางทิศใดทิศหนึ่งหันหน้าไปหน่อยแล้วลืมตาซิเห็นรูปเนะ่เลือกได้ไหมหันไปเจอเขาไม่น้าหันมาทางนี้เลย อกุศลให้ผลหันมันเจอทางนี้เลนะอีกข้างหนึ่งหน้าดูกว่าทั้งเยอะไม่เห็นอะไรเงี้ยตามองเห็นรูปเลือกไม่ได้รูปจะดีหรือรูปจะเลวมีตามีรูปมีแสงสว่างมีความใส่ใจที่จะดูมันก็เห็นจงทำยาณเห็นจิตมันตาเห็นรูปก็คือจิตเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนที่รูปเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ไปดัดแปลงรูปไม่ได <lawsuit royable. S 1> ้ไปแต่งรูปเพราะฉั้นบางทีจิตก็มีความสุขจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกรู้ว่ามีความทุกจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลนี่แหลยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็จะเห็นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเกิดได้ก็ดับใจมันจะเกิด สั่งมันให้เกิดมันก็ไม่เกิดอย่างความสุขเนี่ยสั่งให้เกิดมันก็ไม่ค่อยจะเกิดความดีสั่งให้เกิดก็ไม่ค่อยจะเกิดห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่างความชั่วหรืออกุศลเนี่ยความทุกข์เนี่ยจะสั่งมันไม่ให้เกิดมันก็จะเกิดสั่งมันไม่ได้มันเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ไล่มันก็ไม่ไปอย่างความทุกข์เกิดขึ้นในใจเราไล่มันไปไปไปหรือโกรธขึ้นมาไปไปไปมันไม่หายไล่มันไม่ได้ ความดีหรือความสุขเกิดขึ้นรักษาไว้ก็ไม่ได้เนี่ยดูความจริงก็ดูกันอย่างนี้จะดีจะร้ายจะสุขจะทุกข์สั่งให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วนะสั่งให้มันอยู่นานๆก็ไม่ได้อยากให้มันไปเร็วๆก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจสักอย่างแล้วก็มาชั่วคราวแล้วก็ไปมาชั่วคราวแล้วก็ไปไม่มี สภาวะในจิตใจนี้ไม่มีตัวไหนเลยที่นิรันดรมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่แหละทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นเนาเหมือนตาเห็นงั้นเราไม่ได้ไปดัดแปลงจิตเราไม่ใช่สั่งว่าจิตต้องดีถ้าสั่งว่าจิตต้องดีก็ไม่เหมือนตาเห็นรูปตาไปสั่งรูปไม่ได้ว่ารูปจงสวยงั้นตาไปสั่งไม่ได้รูปจงดีตาไปสั่งไม่ได้ ธรมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แสงสว่างมันมีพอมีความใส่ใจที่จะรู้มันก็รู้เลือกไม่ได้ในจิตนี้ก็เหมือนกันมีธรรมารมเกิดขึ้นในจิตมีจิตที่เป็นคนรู้ธรรมารมมีความใส่ใจที่จะรู้มันก็รู้ห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงไปเรื่อยเนี่ยภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากอะไร แด้อย่าส่งจีบนอกก็คือให้มีจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวพอจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวแล้วถ้าจะเจริญตัญญาด้วยการดูจิตก็ใช้หลักว่าจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเท่านี้เองไม่ได้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะตรงที่ปกคองจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่ดุลสอนไหมสอนเหมือนกันกันกบบางคนซึ่งจิตชอบออกนอกมากอย่างพวกชอบเล่นคุณนสาชอบอะไรอย่างนี้นะหลวงปู่ให้รักษาจิตอยู่ภายในนี้รันดน ภายในนี้รันดอราลจะบรรลุมรรคผลไหมไม่บรรลุแต่ไม่ตกนรกเดี๋ยวถ้าใจเคยทําชั่วนะออกไปส่งจิตไปทำลายคนอื่นเขาไปแกล้งเขาไปางั้นนะี้ตกนรกงั้นคำสอนท่านต้องแยกแยะให้ดีนะท่านสอนหลักจริงๆก็สมถะวิปัสสนาสมถะก็คือให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าส่งจิตออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกให้รู้ทันเท่านี้เองจิตก็อยู่กับตัวเองละ หลักของการเดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตใช้หลักว่าจงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นเหมือนตาเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นเนี่ยใช้หลักง่ายๆนี่เองไม่ต้องดิ้นรนว่าอยากได้ธรรมะเร็วๆยิ่งอยากได้เร็วยิ่งช้าไม่ต้องกลัวช้าพอนาใจเย็นๆบางคนทรมานตัวเองนะมาบวช ไม่ยอมนอนไม่ยอมอะไรรู้สึกเวลาน้อยจะเร่งยิ่งโทมหนักเข้าไปใหญ่เพราวนาไม่ได้ง่วงก็นอนหิวก็กินนะนี่หลักกรรมาฐานนะหลวงพ่อบอกว่าง่วงก็นอนนะไม่ใช่บอกว่าขี้เกียจแล้วนอนนะบอกหิวแล้วกินนะไม่ได้บอกตะกละแล้วกินนะคนละเรื่องนะร่างกายก็ดูแลมันไปเอามันมาใช้งานใช้แล้วไม่ดูแล ก็เป็นเจ้าหน่ายที่เร็วมากเลยร่างกายนี้เราเอาไว้ใช้ทำความดีทำความดีทางกายทางวาจาหรือจะฝึกจิตใจก็ต้องอาศัยกายหายใจเข้าหายใจออกอนะยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่ก็อาศัยกายฝึกให้จิตใจดีขึ้นเราใช้กายเป็นประโยชน์แนละ้วเราก็ต้องดูแลมันเหมือนเรามีลูกจ้างนะมีลูกจ้างเราใช้ประโยชน์เขาเราก็ต้องดูแลเขา นี่ก็เหมือนลูกจ้างเราเหมือนกันใช้แต่บี้ต่บันใ่ไให้มันพักไม่ให้มันกินมันก็ไม่อยู่ให้เราใช้มีร่างกายก็ดูแลไปนะแต่ไม่ได้ดูแลสนองกิเลสแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจเปลี่ยนตอนไหนจิตใจเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใช่ไหอาศัยร่างกายจิตใจเปลี่ยน เมื่อหูได้ยินเสียงนี่ก็อาศัยร่างกายอาศัยหูจิตใจเปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสอย่างยุงมากัดเนี่ยอาศัยกายทําให้ยุงกัดได้เกิดโทสะขึ้นมาเรามีสติรู้ทันได้อาศัยกายหรือใจมันคิดขึ้นไม่อาศัยกายนะใจมันคิดขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชัว่วก็มีเหมือนกันนี่นน อ, อาศัยกายแล้ความรู้สึกเปลี่ยนก็มี อาศัยจิตแล้วความรู้สึกเปลี่ยนก็มีแล้วก็คอยรู้เอาเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆท้ายก็เห็นนะว่าไม่มีเราสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับไปสั่งก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายนี้มีตาจะมองเห็นรูปหรือจะไม่เห็นจะเห็นรูปดีรูปไม่ดีรูปที่นำความสุขมาให้รูปที่นาบทุทให้เลือกไม่ได้อีกอย่างไปดูหนัง ไปดูหนังอยากยังมีความสุขใช่ไหมเคยมีไหมเล่าหลับตาเพราะมันวาดเสียวเกินไปนี่อากุศลให้ผลแล้วพวกเราฆ่ากันเลือกไม่ได้เยิเผ่าหนานนะรู้เนื้อรู้ตัวไปฝึกไปให้พวกพ่อแม่ทั้งหลายนั่นแหละฝึกไปถ้ายังโมโหลูกแล้วอารวาดใส่ลูกนะตีลูกส่งเดชไม่มีเหตุผล หรือทะลาะ ก, กันให้ลูกดูเรียกว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะให้ลูกดูเราปฏิบัติธรรมะให้ลูกดูเรามีฐานให้เป็นลูกดูเป็นตัวอย่างเรารักษาศีลให้ลูกดูเราเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้ลูกดูทำอะไรไม่ได้จริงๆเปิดซีดีเอาไว้ทำเป็นว่าตั้งใจฟังเองทำงานอะไรก็เปิดไว้ให้ลูกมันได้ยินไปๆมาๆเด็กมันภนาเก่งกว่าผู้ใหญ่ก็มีนะ โดยที่ไม่ได้เจตนางินสอนกรรมฐานให้เด็กนะทำให้ดนะูเราฝึกของเราเองให้ดีแล้วลูกเราก็ดีเราร้ายลูกเราก็ ร, ร้ายแหละนะอาเชิญไปกินข้าว